หนึ่งสุทธจิตตสัมัญญะสองธรรมวาระหนึ่งอุปาทานิโรธกาละสัมเพทวาระ8ปบอนุจิตได้กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็าจักดับไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ จิตได้จากดับไม่ใช่จากเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่อนุจิตได้ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จากดับแต่จากเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปติจิตได้ไม่ใช่จากดับแต่จากเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมวิไม่มีสองอุปาทุปันนาวะระ8ปบหอนุ จิตแดนกาลังเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตได้เกิดแล้วจิตนั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิในพังคาขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทภะขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่กําลังเกิดก็ใช่อนุจิตไดนไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิในพังคขณะจิตไม่ใช่กาลังเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้ว จิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กําลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปติจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม <ago. S 2> ่ใช่ก <ser> <şimdi> ําลังเกิดใช่ไหมวิใช่สนิโรธุกปัณนาวะระแปหอนุจิตใดกําลังดับจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิ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 วิใช่สอุปาทวาระแปิเจอนุจิตได้กําลังเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตได้เคยเกิดจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตใด้ไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กําลังเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังคขณะ จิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ปฏิจิตได้ไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะจิตไม่เคยเกิดแต่ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ทัณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่แปดสิบแปดอนุจิตได้กาลังเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิ จิตได้จากเกิดจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตได้ไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่จากไม่เกิดในพังฆขณะจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่จากเกิดก็ใช่ปฏิจิตใดไม่ใช่จากเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะ จิตไม่ใช่จักเกิดแต่ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคะขณะจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จักเกิดก็ใช่ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่แปสิบเอนุจิตได้เคยเกิดจิตนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปติจิตได้จักเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตได้ไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ จิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดแต่ไม่ใช่จักไม่เกิดจิตที่เป็นปัจจุบันไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่จักเกิดก็ใช่ปฏิจิตได้ไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จักเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดจิตที่เป็นปัจจุบันไม่ใช่จักเกิดก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ 5. นิโรธวาระเกสอนุจิตได้กาลังดับ จิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตได้เคยดับจิตนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตได้ไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่กำลังดับแต่ไม่ใช่ไม่เคยดับในอุปาทักณะจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่กำลังดับก็ใช่ไม่เคยดับก็ใช่ปฏิจิตใดไม่เคยดับ 1, hmm. จิตนั้นก็ไม่ใช่กาลังดับใช่ไหมวิในพังคขณะจิตไม่เคยดับแต่ไม่ใช ja, <Mount> ่ไม่กาลังดับในอุปาทาขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่กาลังดับก็ใช่เก้าสิบเอดอนุจิตได้กาลังดับจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตได้จักดับจิตนั้นก็กาลังดับใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตไดไม่ใช่กาลังดับ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 อนุจิตได้เคยดับจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตได้จักดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตได้ไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับแต่ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขณะจิตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปฏิจิตใดไม่ใช่จักดับ จิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่จากดับแต่ไม่ใช่ไม่เคยดับในพังคะกัะจิตไม่ใช่จากดับก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่หอุปาทานิโรทวาระเก้าสิบสาอนุจิตได้กําลังเกิดจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตได้เคยดับจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ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 ม <ite> ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่94อนุจิตได้กำลังเกิดจิตนั้นเพื่อจัก ด, ดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตได้จัก ด, ดับจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจิตที่เป็นอนาคต จ, จัก ด, ดับแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะจิตจัก ด, ดับก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุจิตได้ไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จัก ด, ดับใช่ไหมวิ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 อุปเชมา น, น oui. greasy, yep. <the ures> ิโรธวาระเกอนุจิตได้กําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตใจไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กําลังดับแต่ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทขณะจิตไม่ใช่กําลังดับก็ใช่กําลังเกิดก็ใช่อนุจิตใจไม่ใช่กําลังเกิด จิตนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตและอนาคตไม่ใช่กําลังเกิดแต่ไม่ใช่กําลังดับในพังค์ฆาคะจิตไม่ใช่กําลังเกิดก็ใช่กําลังดับก็ใช่ปาิจิตได้กําลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ 8. อุปัชามานุปันนวาวะเกาสิบเจอนุจิตได้เกิดอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิใช่ ปติจิตได้เกิดแล้วจิตนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมวิในพังคนขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่เกิดอยู่ในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่เกิดอยู่ก็ใช่อนุจิตได้ไม่ใช่เกิดอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิในพังคขณะจิตไม่ใช่เกิดอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วทิตที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตไม่ใช่เกิดอยู่ก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ ปฏิจิตใจไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมวิใช่เกนิรุชมานุปันนาวาระเกสบปอนุจิตได้ดับอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตได้เกิดแล้วจิตนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมวิในอุปาทาขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่ดับอยู่ในพังคขณะ เกิดแล้วก็ใช่ดับอยู่ก็ใช่อนุจิตใดไม่ใช่ดับอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิในอุปาทขณะจิตไม่ใช่ดับอยู่แต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตไม่จะเกิดอยู่ก็ใช่ไม่จะเกิดแล้วก็ใช่ปฏิจิตใดไม่จะเกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมวิใช่ 10. อุปนุปปาทวาระ 99อนุจิตได้เกิดแล้วจิตนั้น right? er ก็เคยเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตได้เคยเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตได้ไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตไม่ใช่เกิดแล้วแต่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดจิตที่เป็นอนาคตไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ไม่เคยเกิดก็ใช่ปฏิจิตได้ไม่เคยเกิด จิตน ah, yeah vale ITE> ITE> um ั้นก็ไม <im ่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิจิตที่เป็นปัจจุบันไม่เคยเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่หนึ่งรอนุจิตได้เกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตได้จากเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตได้ไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหม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 จิตใดเคยเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตใดจกเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตใดไม่ใช่จกเกิดจิตนั้นไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม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 แต่ไม่ล่วงพังคขณะจิตที่เป็นอดีตล่วงอุปาทขณะก็ใช่ล่วงพังคขณะก็ใช่ปตฏิจิตได้ล่วงไปทุกทุกขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตนั้นล่วงไปทุกทุกขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมวิจิตที่เป็นอดีตอนุจิตได้ล่วงไปทุกทุกขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้ว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 จิตที่เป็นอนาคตไม่ล่วงพังคขณะก็ใช่ไม่ล่วงอุปาทขณะก็ใช่นิเทศแห่งธรรมวาระจกหนึ่งสุทธาจิตตสามัญญะสปุคลธรรมวาระ หอุปาทนิโรธกาลสัมเพทวาระร้ 105. อยหอนุจิตแท้ของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคล น, นั้นก็จักดับไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตแท้ของบุคคลใดจักดับไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่อนุจิตแท้ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับ จ y, right. <group> heaven, ิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับแต่จกเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตได้ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับแต่จกเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดแต่กำลังดับมีไหมวิไม่มีสองอุปาทุปันนาวาระร้อยหกอนุจิตได้ของบุคคลใดกาลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิ จิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังัคขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่กำลังเกิดก็ใช่อนุจิตได้ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิในพังคขณะจิตไม่ใช่กำลังเกิดแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ใช่ปฏิจิตได้ของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่สนิโรธุปันนาวะร์ร้อยเจ็ดอนุจิตได้ของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตได้ของบุคคลใดเกิดแล้ว จิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิในอุปาทขณะจิตเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กําลังดับในพังทัคขณะจิตเกิดแล้วก็ใช่กําลังดับก็ใช่อนุจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมวิในอุปาทขณนะจิตไม่ใช่กําลังดับแต่ไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิต ท, ที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตไม่ใช่กําลังดับก็ใช่ ไม่ไมจะเกิดแล้วก็ใช่ปฏ<ฤ>ิจิตได้ของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิ i. ใช่สอุปาทวาระร้108อยแปดอนุจิตได้ของบุคคลใดกําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ i. ไม่ใช่ปฏ <ฤ S 1> ิ <Gleich S 1> จิตได้ของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม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 ในพังข้ณะจิตที <ko> ่เป็นอดีตไม่ใช <os> ่จกเกิดก็ใช่ไม่ใช่กำลังเกิดก็ใช่ร้อยสิบอนุจิตแด้ของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิจิตแด้ของบุคคลใดจกเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตแด้ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิ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 จิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิไม่ใช่อนุจิตใดของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะจิตที่เป็นอนาคตไม่เคยดับแต่ไม่ใช่จักไม่ดับในพังคขัณะจิตไม่เคยดับก็ใช่ไม่ใช่จักดับก็ใช่ปติจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิ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 สุตันตจิตตมิสกวิเสสะร้อยสิบสี่อนุจิตมีราคะของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับจิตมีราคะของบุคคล น, นั้นก็จกดับไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิในอุปาทภณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีราคะจิตมีราคะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับแต่จากดับไม่ใช่จากเกิดในอุปาทขณะแห่งจิตที่มีราคะของบุคคล น, นอกนี้ จิตที่มีราคาของบุคคลเหล่านั้นละถึงสาอภิธรรมะจิตตามิสกาวิเศษะร้อยสิบห้า ok อนุจิตที่เป็นก <subur Zelda. S 1> ุศลของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับจิตที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งจิตที่เป็นกุศลดวงสุดท้ายจิตที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับแต่จักดับไม่ใช่จักเกิด ในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่เป็นกุศลของบุคคลนอกนี้จิตที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นละถึงปฏิจิตที่เป็นกุศลของบุคคลใดวิใช่ยร้อยสิบหกอนุจิตที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับอนุจิตที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับยมกะสามคือมูลยมกะ จิตตะยมกกะและธรรมะยมกกะดำเนินไปจนถึงสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้นิเทศแห่งมิจฉะวาระจบนิเทศวาระจบจิตตะยมกกะจบ